เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ล่มพระโพธิญาณได้นาเสนอเรื่องอริยสัจมาถึงทุกสมุทัยนะฮะทุกข์กับมรรคเนี่ยคือว่าไปพิสดานแล้วก็ช่วงนี้อยากจะ หยุดพักมาตอบจดหมายสักช่วงหนึ่งเพราะว่ารายการที่บรรยายเอาวิทยุในแต่ละสถานีนั้นช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะเลยก็อเอาไปตอบปัญหาแต่ว่าในรายการไปร่มโพธิญาณเพราะาชื่อมันใหญ่เลยไม่เคยเอามาตอบปัญหาแต่ปัญหาที่จริงก็อยู่ใต้ร่มโพธิญาณเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนา ปัญหาท่านถามมาว่าขอกราบเรียนถามต่อหลวงพอ่อคนที่ไม่รู้จักบุญคุณต่อผู้มีพระคุณคนที่ในละคุณคนที่ให้อุปการะจึงมีแต่ความเจริญในการบรังชีวิตทำนองทำชั่วได้ติทาไมจึงเป็นเช่นนั้นตรงนี้เป็นไปไม่ได้อะนะคือโดยหลักเหตุผลบางครั้งเราอาจจะมองเขากับเราเพียงอย่างเดียวแตเรามีความรู้สึก จะเป็นเจ้าบุญในคุณกับเขาแล้วก็อยากให้เขาตอบแทนมากๆเมื่อเขาไม่ตอบแทนมากๆเราก็รู้สึกคนาเนรคุณนั่นอย่างหนึ่งนะที่อย่างหนึ่งในกระบวนการของกรรมเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นคนเนรคุณจริงแต่ว่าในกระบวนการของกรรมแล้วเนี่ยในแต่ละชาติเนี่ยมนุษย์จะมีกรรมอยู่สามช่วงสี่ช่วงโดยทําไปคือกรรมที่ตามมาในพบชาติก่อน อดีตการไกลโพ้นนานไกลนะฮะแล้วก็กรรมในชาติก่อนกรรมในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนแล้วก็ปีก่อนก่อนกรรมในขณะนั้นๆกรารที่เราพูดเราทําเราคิดไปในขณะนั้นนั้นตอนการที่เขากําลังสวยสุขอยู่อาจจะเป็นกุศลกรรมในอดีตกำลังให้ผลก็อยู่ก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาเอาตัวรอดอยากแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่อากาันอยู่กันส่วนตัวหรือเราคิดว่าก็าอาการันอยู่เขาต้องอากาันอยู่จริงๆด้วยเพราะนการมองเนี่ยไม่ใช่มองด้วยอารมณ์ บางครั้งบางคาวคนเราก็สํานึกคุณอุปการคุณของบุปการีนะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่อยู่ในฐานะที่จะทําอะไรได้เลยไม่สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรได้เลยก็เก็บไว้ภายในใจแต่นี้เมื่อเขาจเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันต้องแสดงว่าลผลจะฟางดีเท่านั้นคือเป็นอาฐานะเป็นไปไม่ได้ที่คนเรื่งทำความชั่วแล้วจะรับความสุขความจเจริญเพราะผลจากการกระทำความชั่ว เป็นอาถรรน่าือเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนทําความดีแล้วจะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทําความดีผลถ้าผลออกมาเป็นความเจริญแสดงมาเป็นผลของกุศลกรรมเพียงแต่ว่ากุศลอะไรตามปกติแล้วการให้ผลของกรรมเนี่ยมันทํานองคล้ายๆครับก็กินอ้อยนะครรากมันเป็นพิษแต่ยอดมันหวานก็กินไปเรื่อยๆไปถึงเจอข้างล่างมันก็เป็นพิษ บาคนที่ทำความชั่วเนี่ยสาบไดที่ความชั่วยังไม่ให้ผลเขารู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปอยู่แต่พอความชั่วให้ผลแล้วเขาจะประสบความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหาหัสทีเดียวเพวันกดเอตรงเนี้จริงๆจึงเป็นไปไม่ได้นะว่าคนทําชั่วได้ดีคนทําดีได้ชั่วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงพยาว ก, ก่อนว่าแนวเดียวว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว เพียงแต่ว่าความสลับซับซ้อนของกรรมนั้นมันเป็นอจิมตายเขาเรียกกรรมวิปากะวิสัยวิสัยของกรรมแล้วก็วิบากของกรรมเนี่ยมันสลับซับซ้อนมันยากที่จะยังรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันเป็นผลก็อะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรผลเหล่านี้มาจากไหนเหตุเหล่านี้เมื่อไรจะให้ผลยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของมันชาวพุทธเรานั้นควรจับหลักทําดีเอาไว้ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการสาคัญที่สุดแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างอี้ข้อต่อไปถามว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วเราเพ่งแต่จะทำสิ่งนั้นอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจสนใจสิ่งอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยถือว่าเรามีสมาธิหรือขาดสมาธิค่ะคือตามปกติเวลาทำอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นการทางาน นะถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราทาสมาธิแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็ถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นการทำงานเนี่ยมันไปนเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นว่าการขับรถหรือการทำงานต้องเกี่ยวข้องอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็ต้องสนใจเรื่องอื่นด้วยนะแต่ว่ามุ่งมั่นอยู่ที่การทำงานคือสติสมาธิปัญญานี่เขาต้องอยู่ด้วยกันสติมันมีลักษณะที่แผ่ซ่านไปครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเอาไว้ สามารถจะลึกรู้เท่าทันสมมติว่าเราจะทำแน่วแน่อยู่กับเรื่องนั้นโดยไม่สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แร้วมันต้องสนใจบ้างแต่ว่าให้หนักอยู่กับเรื่องที่เรารับผิดชอบในขณะนั้นๆั้นคือคือถ้าในกรณีของการอยู่ในห้องกรรมฐานก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าเป็นการทำงานในชีวิตประจำวันนั้นก็คงจะ ไม่ถูกต้องไปทุกกรณีนะฮะไม่ใช่ทุกๆ ก, กรณีคือบางกรณีเนี่ยอาจจะมีปัญหาถามว่าคําว่าสัมมาอะระหังน่าจะเป็นอระหังส ม, มาคําสอนสัมมาอะราหังตรงกันบในพระไตรปิฎกหรือไม่มันไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกแต่ว่ามันไม่แปลกนะฮะมันเป็นคําสมัครบริกรรมเฉย ก็แปลได้อยู่แล้วนะก็แปลได้อยู่แล้วหลังสมาสมาหละหา่าก็แปลเหมือนกันทีนี้มันเป็นชื่อบริกรรมแต่นั่นเองสมบพิจิตเกาะเพื่อเกิดความสงบดัะนั้นใครปรารถนาจะใช่อ ย, ย่างไงก็ขอให้เป็นไปไป ใ, ใจสงบก็แล้กันคือปัญหาสำคัญว่าภาวนาอย่างไงในไม่สำคัญหรอกสำคัญแต่ว่าเมื่อเราภาวนาไปในใจสงบจากมิวอนนะั่นคือเรื่องใหญ่ แต่การ น, นิวอรอนไม่สงบก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ผลตามที่ท่านกำหนดแสดงเอาไว้โดยเนื้อหาสาระของกรรมฐานเนี่ยการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่เป็นไปประความสงบประง่าแ่งนิวอรอนทั้งห้าประการออกไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะ น, นั่นคือนิยาม พราุเจ้าคิดอย่างไรกับพระสงฆ์ที่แสดงธรรมในแนวอวดอุตตริและกำลังเป็นที่นิยมชม ช, มชอบอทั้งหลายเลลบางรูปและคนก็ชอบฟังอนนี้คือจุดอ่อนแอของคนนะเพราะว่าคนเรามีความรู้สึกต้องการพึ่งพาอาศัยคนที่มีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์มีบารมีอ ะ, ระอะไรต่างๆ แนวเรานี้เราลองสังเกตว่าแนวเทวานิยมเนี่ยจะอธิบายเทพเจ้าสูงสุดในแนวที่ดุแนวที่เกลียวกราดรุนแรงลงโทษไม่ปณนีประสายกันทีเดียวอ่าแล้วคนก็จะหวาดกลัวโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยก็อามกินนอนกลัวในตัวกลัวนี่จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็อยากจะได้ผลประโยชน์อยากจะได้ผลประโยชน์จากการลดบันดาลการประสิทธิ์ประสัดการให้พรของท่านเหล่านั้น สามารถจะดนบดานในเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างล้นแล้วก็พวกนี้มีกองเชียร์เป็นกระบวนนะทํากันเป็นกระบวนเป็นเรื่องที่น่าสีดายว่ามาอยู่ในศาสนาแล้วอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแทนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นหมาโจรนะถ้าอวดอุตริจริงๆแล้วเป็นหมาโจรนะที่รนพระพุทธศาสนาร้นจิตวิญญาณของมนุษย์ร้นพลังศรัทธาของมนุษย์ ถึงก็เป็นปัญหามาตุยุคตุสมัยพี่เจ้าทรงจำแนกหมาโจรไว้ห้าประเภทประเภทอวดอุตรินี่ถือเป็นประเภทที่ไายกาที่สุดในบรรดาพวกหมาโจรทั้งหลายคิดอย่างไรกับพวกยึดติดหรือเคร่งศาสนาเกินไปที่ทําให้โลกกําลังเกิดปัญหาอยู่ในปัจจุบันคือศาสนาบางศาสนาเนี่ยมันมีความรุนแรงโดยธรรมชาติของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เกิดมานะฮะ เราเช็คประวัติศาสตร์ศาสนาบางศาสนาในโลกเนี่ยมันเผยแผ่มาเรือเลือดเนื้อจิตชีวิตปิญญาณของมนุษย์เป็นอันมากที่ถูกเส้นถูกบูชาคนเหล่านี้ไปเขาลุยมาดลบนบนซากของเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติด้วยกันร่วมโลกด้วยกันเพราะในคำคำสอนในเรื่องของเขานะั้นมันจะรุนแรงมันสืบเนื่องมาจากยุคสมัยของเขาที่เขาต่อสู้เพื่อปดิสถานศาสนาเนี่ย คนต่อต้านขัดขวางเขาก็ต้องการจะเอาชนะข่าขานกันแต่ในที่สุดเนี่ยแทนที่จะเป็นรูปของาศาสนามันก็รูปขององค์กรองค์กรที่จะยึดกลุมอำนาจต่างๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วโคให้คนกลัวแล้วก็ยั่วคนอยากอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะฮะแต่ว่ า, าศาสนาพุทธเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีแนวความคิดในลักษณะนั้นมันเป็นการมองต่างกันคือมนุษย์เนี่ย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แต่ศาสนาที่มีลักษณะเป็นศาสนาของเทพเจ้าเนี่ยจะมีความรุนแรงในลักษณะนั้นเพราะว่าต้องตอบสนองต้องเอาพระไถยของพระพุทธเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าไม่งั้นพระผู้เป็นเจ้าจะพิโรธเอาจึงมีคำสอนที่น่ากลัวนะฮะเช่นตาต่อตาฟันต่อฟันรอยแผลต่อรอยแผลอย่างอย่างน่ากลัว ดามเพื่อไปผู้เป็นเจา้าคือกุญแจไขประตูสวรรค์อย่างนี้เป็นคำพูดที่น่ากลัวนะัแต่ว่าเราไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้นะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เราก็ก็ไปห้ามปรามอะไรเขาไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เรานีจริงมันอยู่ที่ความคิดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าคนที่มีความคิดผิดเนี่ย คือจะมองเห็นสิ่งเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะฉนั้นเขาจะไม่มีโอกาสประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะอะไรเพราะเขาคิดผิดแต่คนที่คิดชอบเนี่ยจะเห็นตามความเป็นจริงคือสิ่งใดเป็นสาระก็เห็นว่าเป็นสาระสิ่งใดไม่เป็นสาระก็เห็นว่าไม่เป็นสาระคนเหล่านี้ยจะประสบสิ่งที่เป็นสาระเพราะว่าเขามีความเห็นชอบ ขาะนี้มีข่าวเรื่องพระมากทำให้ดิฉันรู้สึกเฉยๆกับพระทุกองค์แต่ยังชอบฟังธรรมะอยู่ดิฉันบาปหรือไม่ไอ้บาปนะมันไม่บาปหรอกแต่ว่าความคิดมันมีเหตุผลหรือเปล่าก็เราจะต้องมองนะว่าพระในประเทศไท ย, ยมีเป็นแสนนะประมาณก็ร่วมสี่แสนทั้งพระทั้งเนรเนี่ยก็คิดว่าสี่แสนแกันเอาเลขกลมๆ ท่านก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาสามัญไม่ได้มาจากสวรรค์ชั้งฟ้าแต่ที่ไหนข้ามาบวชเพื่อฝึกปืออบรมตัวเองปฏิบัติพัฒนาตัวเองทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างได้น้อยบ้างได้มากบ้างนะฮะเป็นเรื่องของคนจะต้องพยายามทําแต่นั้นเองแล้วท่านก็คือคนอย่างเราเรานี่แหละเพราะฉั้นเราทําได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยท่านต้องรักษาศีนั่งสองรอยเจ็ดข้อเรารักษาศีห้าเนี่ยเราก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเรามองเราด้วยความจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิแต่พระที่ควรมีการุกย่องมีเยอะมีเยอะมันไม่รู้สักกี่เท่าตัวนะฮะพระที่ทำผิดเนี่ยมันไม่ได้เปอร์เซนต์กองจำนวนพระทั้งหมดที่ทำไปแต่เราไปสรืออาไปสืบเรียดกับเรื่องเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแลวมีเป็นอันมากมันเป็นเพียงข่าวเฉยๆซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ทดสอบ ในง่ายของการรับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลักการสาคัญในกฎหมายก็คือว่าเมื่อมีการกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์เพราะนั้นเหล่านี้เราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าการที่เราไปมีความรู้สึกไม่ดีมันเป็นปฏิฆะนะฮะมันเป็นปฏิฆะมันเป็นกิเลสประเภทโทสะ เห็นพระแล้วมันใส้เห็นพระแล้วอึดหนักเห็นพระแล้วเกลียดเนี่ยมันมันเราได้อะไรบ้า ม, มันได้อะไร <c oughs> สมมติว่าท่านไม่ดีท่านก็ไม่ดีของท่านอ่ะแล้ท่านดีท่านก็ดีของท่านแต่ว่าเรานี่เรารับผิดชอบในกรรมของเราเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรรมคนอื่นหรอกแต่ว่ายังไงก็ดีนะอย่างชอบฟังธรรมะอยู่แต่ว่าการฟังธรรมะมันเป็นกุศลระดับธรร ม, มัสวรรค์มแต่อย่าลืมว่า คนเราจะต้องปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีธรรมะด้วยไม่ใช่ว่าควางธรรมะเฉยๆคือต้องนําธรรมะมาปฏิบัติอย่างในกรณีเนี้ยกรณีนั่นก็เรียกว่าอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของตัวเองหยุดทําความดีของตัวเองซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะคนเรานันต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไป นะไม่ได้นับ ก, กันมาไม่นัด ก, กันอยู่ไม่นัด ก, กันไปนะฮะคนเราต้องสวดมนต์ทุกวันไหมคะถ้าสวดได้ก็ดีนะฮะสวดได้ก็ดีอย่างน้อยตอนเช้าตอนเย็นตอนตอนเช้ามืดอนะตอนกื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นแรงอธิษนะฐานมีจริงไหมคะถ้าหากว่าเรามีสัจจะบารมีอยู่มากพอเนะี่ยอธิษฐานมันก็มีทางที่จะเกิดได้แต่ไม่ใช่รอยเปอร์เซ็น์นะฮะ มันก็นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเมื่อมีเหตุปัจจัยสมควรแล้วก็เกิดขึ้นมาได้การดึงพ่อแม่ให้เข้ามาทางธรรมะยามแก่ทำอย่างไรครับปกติท่านเดินสายกลางและทำหน้าที่ได้ดีแล้วต่อยากให้ท่านสะสมบุญค่ะก็ดีเนี่ยก่อนมทนาแล้วก็ก็ชวนชวนท่าน อ่านหนังสือให้ฟังเอาเทพธรรมะให้ฟังชวนไปวัดไปวาไปไหว้พระสวดมนต์ไปไหว้กุญจนิยฐานต่างๆนะถ้าว่าแม่ยังไม่แก่เท่าไหร่ชวนไปอินเดียจะคราวนะก็จะได้ประโยชน์ เ, เหตุการณ์ไม่คาดคิดคาดฝันกรณีคุณจิตราตุยร่วมมาลาเจริญ อะไรเ น, นี่ยนะที่เสียชีวิตโดยคนเมายาบ้าเอาเป็นตัวประกันโดยจนโดนจนเสียชีวิตดังปรากฏเป็นข่าวอยู่นี่กรณี น, นี้ท่านอาจารย์จะคุณมีข้อเตือนใจเตือนสติในเรื่องอกรรมปัจจุบันและในอดีตอย่างไรก็ กำเนี่ยมันมีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันคือจากประวัติจากที่ฟังข่าวคราวเนี่ยประเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากๆนะเป็นคนที่มองคนในแง่ดีมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่แต่อบุคคลทั้งหลายเพราะฉะั้นมันเป็นจุดแข็งแต่มันเป็นจุดอ่อนเพราะถ้าหากว่าเข้าไปใกล้กับคนผ่าน อย่างเนี้ยอย่างคนเมายาบ้าอย่างเงี้ยแกก็ไม่ปฏิภาษาอะไรแล้วนะฮะควบคุมตัวเองไม่อยู่ไม่มีสติสตังอะไรแล้วก็มันอาจจะเฉพาะกรรมปัจจุบันก็ได้เพราะว่าแกเกิดไปเจอคนคลุ้มคลั่งเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีวิบากกรรมในอดีตเข้ามาตัดรอนก็ได้ส่วนวิบากกรรมในอดีตนั้นเราไม่รู้เราว่ามันมันมีหรือไม่มีในกรณีเหล่านี้ คือคนที่จะรู้ได้มันต้องเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดเนี่ยมันเกิดใจดีผีเข้าเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังคือคนสมัยนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไม่ระแวงแต่ต้องระมัดระวังการเกี่ยวข้องการพบปะการคบหาสมาคมกันจะต้องระมัดระวังแม้แต่เดินเนี่ยเดินถ้าเดินกันเดียเด่ยวๆเช่นเดินสวนกับคนแล้วก็สวนกันเดียวๆ เ, เนี่ย มันต้องเดินให้ห่างหน่อยต้องระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวถ้าเดินกันมากๆเ น, นี่ยก็ค่อยก็พอจำแนงแต่อย่างน้อยก็ต้องระมัดระวังนะพวกกรีดกรเป๋าหอะไรแต่อะไต่างๆมันเดีืยวนี้มันมีอยู่เยอะเลยคือสรุปว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยค่อนไปในป่าเป็นป่าคอนกรีตมากยิ่งขึ้ น, นเราอยู่เนี่ยเราก็ไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้แต่ต้องระมัดระวังในตัวเองก็อย่างที่บอกว่า ถึงไม่ไม่ระแวงนะฮะแต่ควรระมัดระวังเอาไว้แล้วอย่าเผลอเผลอหลงลืมกระบวนการตรงนี้มันเลยมันโทษใครก็ไม่ก็ไม่เคยได้อะนะฮะคือแต่ละคนต่างก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามทำงานของเขาแต่ว่าสมมติว่าเขาจะตัดสินใจอะไรออกไปจะในกรณีที่ตัวของคน เอ่อมอย่าบ้าเนี่ยปรากฏชัดเนี่ยสามารถจะยิงได้อะไรแต่ได้เนี่ยยิงไปมันก็โดนอี ก, ก น, นะฮะมันเป็นสภาพที่เป็นอยู่ในกฎของกรรมอย่างหนึ่งนะกรรมปัจจุบันหรือกรรมอดีตแต่ก็เธอไปดีก่อนเธอแล้วนะฮะคือคือคนดีๆเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอก็ไปดีก็แล้ว เดียวใจไปก็ไม่ช่วยอะไรให้แต่ว่าทางที่ดีก็ควรจะถือเป็นบทเรียนระมัดระวังของคนในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเพราะว่าแนวนี้มันมีบ่อยแลวเราจะเห็นว่าจะเป็นผู้หญิงกับเด็กเนี่ยซึ่งเด็กแกก็ซื่อๆผู้หญิงนั้นส่วนมากแล้วก็จิตใจอ่อนโยนกับคนทั้งหลาย แล้วก็ไม่ค่อยไประแวงใครซึ่งจริงๆนี่ต้องมีอยู่พอนะสมควรนะฮะแลวมัระวังพอสมควรดิฉันเคยขับรถทับลูกสุนัขโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่กล้าลงไปดูว่ามันตายหรือไม่เพราะมีชาว บ, บ้านเข้ามาอุ้มมันขึ้นมาไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของมันหรือเปล่าดิฉันพยายามทำบุญขวดน้ำให้ลูกสุนัขตัวนั้นดิฉันจะมีบาปมากไหมหากลูกสุ น, นันตัวนั้นตาย คือเป็นการกระทําโดยไม่เจตนาแล้วก็ไม่แน่ว่ามันตายหรือไม่ตายการกระทํานั้นไม่เจตนาเราใจว่าองค์องสีเนี่ยมันไม่ครบ น, นะฮะสัตว์นั้นมีชีวิตนี่ใช่เรามีจิตคิดจะฆ่าไม่ไม่มีจิตที่จะฆ่าแล้วก็ความพยายามที่จะฆ่านะฮะเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตใช่มีจิตคิดจะฆ่าเราไม่มีจิตทําความพยายามที่จะฆ่าเราไม่พยายาม สัตว์ตายไม่ตายยังไม่รู้เพราะงั้นถ้าเป็นศีลเนี่ยก็เรียกว่าศีลมันก็พล่องไปหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่าแนวตรงเนี้ยมันเอานิยายไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเราจะไปถือเคร่งขนาดนั้นน่ะ น, นะเราเดินไปในแต่ละวันเรเหยียบมดเหยียบปลวกเหยียบอะไรตายเยอะไปไม่รู้ได้ยังไงเรานั่งขับรถไปเนี่ยก็สัตว์เด็กกระดนอนมันเยอะนะ วันก็การกรวดน้ำอุทิศถวงยบูชให้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าเอามาวิตกกังวลเพราะว่ามันเรื่องมันผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เราทำในสิ่งที่เราพอเราทำได้นะถึงบาปมันก็ไม่มากหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เจตนาเมื่อไม่เจตนาก็ไม่บาป เองแต่ว่าเราเอามาวิตกกังวลเฉยๆแสดงมันจิตใ จ, จอ่อนโยนมากนะสิใจดีงามมากคนเอาเรื่องมนันี่เรื่องๆเหล่านี้มาคิดมาวิตกกังวลจนถึงก็ทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นี่ก็กวนแกการอนุทนาทีเดียวอาจารย์ครับบางคนก็ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนก็ว่าอนิจจังทุกขังอัตตามันอย่างไรกันแน่ครับ คือประโยคแรกในพระพุทธเจ้าทรงแสดงประโย ค, โยคหลังไม่ทราบใครว่านะฮะคืออนิจจังทุกขังอัตตาเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอัตตนั้นมันเป็นความเชื่อในลัทธิของพราหมณ์ถือว่าเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้าวรแต่ว่าตัวตนทเที่ยงแท้าวรมันไม่มีอยู่โดยสภาพนะครมันไม่มีแบบหนูเต่าเขาก็ตายเนี่ยมันไม่มีโดยธรรมชาติ พวันเราจะไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าสเพสังคาราอนิจา่าสเพสังคาราทุกข์ขาสเปธธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานะส่วนอ น, นิจจงทุกขังอั ต, ตานั้นไม่มีพนะระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงก็ดื่นแสดงก็ไปเรื่องของเขานะ เรานับถือพระพุทธศาสนาก็สนใจเฉพาะ ว, ว่าเรื่องนี้พระพุทธเจา้าทรงแสดงไว้อย่างไงแล้วเราก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นเป็นการเพียงพอแล้วถ้าไปใส่ใจทึงเรื่องที่คนอื่นเขาพูดเขาทามันก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าเราไม่ได้นับถือไม่ได้ยึดถือเขาเป็นสารณะก็จบ ก, กันเท่านั้นเองเร้่องฟังท่างหาก ใด้ ร, ร่วมพธดีญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี